ทโสวัดส ด, ดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะมาพบกับท่านทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าว f อ1 0 6รอยหกค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะหนึ่งในสองวันที่รายการนี้จะมีผู้ร่วมสนทนากันมีพระสงฆ์หนึ่งรูปและดิฉันสันสนีนาพงศ์นะคะประสงค์นั้นเรากำลังจะไปพบท่าน คือพระมหาเพรื่อนพิบุญโนจากวัดปาดอนหายโศกอุดรธานีค่ะกล่าวนาม ส, สการคะท่านค่ะที่ทบ้านดิฉันอยากกล่าวเรียนถามท่านในเรื่องใหญ่ของประเทศเหมนกันนะคะที่เขาบอกว่าพร้อมๆกับการที่จะจัดระเบียบบ้านเมืองใหม่มีการปฏิรูปโน่นปฏิรูปนี่โดยสภาปฏิรูปเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านเหมือนกับมองจากข้างในออกไปข้างนอกในความหมายที่ควรมีการ ให้ถูกต้องสาหรับเรื่องเกี่ยวกับสงเนี่ยนะคะในมุมมองของท่านเลยเป็นส่วนตัวท่านเห็นว่าน่าจะปรับอะไรแล้วก็ปรับอย่างไรกัคะโ อ, อก็คือปรับมาให้มาสอดคล้องกับที่พระบุรุเ้าสอนเอาไว้นหลายๆเรื่องที่มันยังไม่ไม่ตรงกันอยู่ในปัจจุบันมันก็ยังมีค่ะทีนี้ี่ฉันก็สังเกตนะคะว่า บางทีเราก็ดูเหมือนกบว่าแต่และฝ่ายมันมีความรู้สึกใจของตัวเองคือเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้ากันคนละแบบนี่แหละคือทําไม ม, มันไม่ไม่ลงกันไม่ตรงกัน ท, ทําไงดีท่านค่ะเาก็ต้องปรับความเข้าใจนี้ให้ตรงกันซะก่อนนะคือคนจะสามัคคีกันได้ทิฏฐิ ต, ต, ต้องเสมอกันศีลต้องเสมอกันแารมันก็จะไปด้วยกันได้ทีนี้ถ้าบอกว่าทิฏฐิยังไม่ลงกันศีลยังไม่เสมอกันก็คงจะต้องปรับตรงนี้ด้วย ที่นที่นี้ ท, นนท่านหมายความว่าสำหรับสาหรับนักบวชแต่และฝ่ายต้องมีศีลเสมอกันหรือณวันนี้ที่เราเห็นก็คือว่าคนธรรมดาที่ไม่ได้มีภาพอย่างเป็นทางการที่เป็นพระว่าต้องมีศีลเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทเขาอาจจะเป็นคนมีศีลก็ได้นะคะ <Okay. S 2> แต่พูดถึงว่าเราดูว่าเป็นคารวาะเนี่ยเข้ามันมีบทบาทกันเยอะทั้งคนที่บทบาทาเป็นทางการและทั้งคนที่เสนอความคิดเห็นออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะเป็นยังไงคะควรจะเป็นใครที่เป็นคนมาออปรับปรุงปฏิรูปคือแน่นอนถ้าพระพุทธเจ้าอยู่กระจบถูกไหมแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแล้วใครใครทําหน้าที่แต่งก็ทำํำวินัยถูกปะที <c oughs> นี้นเราเรามาทําความเข้าใจเรื่องพื้นฐานตรงนี้ก่อน เอาเรื่องของธรรมวินัยกันแต่พรทุกคนก็อ้างธรรมวิหนัยหมดใช่ไหมไม่ไว่าจะกลุ่มไหนก็ตามจะกคารวะหัวดําหรือพระสงฆ์หัวโลนก็ตามก็อ้างธรรมวิหนัยหมดทีนี้ธรรมวินัยเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจอันดับแรกเลยนี่คือเป็นมรดกที่บาปุจจารย์ติ้งไว้ให้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะใช้ตรวจสอบตัวเองด้วยใช้ตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะได้และไม่ใช่สิ่งที่จะจำเป็นกฎหมายจะคอยมาจ้องจับอีกคนอื่นอันนี้คือธรรมะวินัยเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างนั้น คือมันมันต่าง ก, กันกับกฎหมายบ้านเมืองนะคุณโยมติ๋วเนี่ยบอกว่าสมมติว่าคือถ้าหลายๆคนแม้แต่ตัวอามาเองก็ยังเคยเปรียบเทียบว่ า, วาถ้าเราเปรียบทำวินัยเนี่ยเป็นกฎหมายของพระถ้าเปรียบกับกฎหมายของบ้านเมืองก็จะมีบทลงโทษถูกไหมค่ะถ้าเป็นอะไรหลักคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกก็แตกต่างกันไปใช่ปะ่ะค่ะถ้าเป็นทางพระสงฆ์ก็จะมีโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษปรับแ ล, แล้วก็โทษตัดคะแนน โทษจำคุกโทษประหารชีวิตก็คือประราชิกใช่ไหมโทษปรับก็โทษจำคุกก็สังกัดทเศษโทษปรับก็ประจิตีโทษตัดคะแนนก็ทุกตะอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังเฉยเฉยเปรียบเทียบเฉยเฉยเพราะว่าในการใช้กฎหมายแล้วเขาบังคับใช้เนี่ยก็คือเขามีบทลงโทษเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นอาญาอันนี้ก็เลียกเป็นอาญากฎหมายเนี่ยคือเพื่อที่ให้ทําตามทําไมอ่ะก็คนมันไม่ทําตามคุณก็ต้องมีบทลงโทษอ่ะ อันนี้คือคการลงอาทยาการฆ่าโทษไว้นนั้นแต่ธรรมวิไนนะไม่ใช่เป็นอาทยาไม่ใช่เป็นสัตราอันนี้คือเราต้องกลับมาที่ตัวเบสิกตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือธรรมคือวิไนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาทยาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยสัตระเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปรับอาบัตอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการลงโทษนะไม่ใช่แต่เป็นการให้รู้ถึงถูกและผิดอันไหนถูกเอาอันนั้นอันไหนผิด อย่าไปเอามันจบเลยค่ะคือคือมันจบตรงนี้เลยใช้ตรวจสอบตัวเองใช้ตรวจสอบคนอื่นแล้วไม่ได้ไปเป็นเครื่องมือที่จะไปจับผิดใครหรือว่าจะไปห้ามหันใกลเหมือนอย่างกฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีบทลงโทษมัน ค, คืออาญาก็ใช่ไหมแต่ธรรมะวินัยไม่ได้มีอาญามันมันจะไปใช้ลงโทษใครได้ไงมันไม่ได้ค่ะคือดี๋ยวฉันคิดว่าณวั น, นเนี้ยเนี่ยอชาวบ้านธรรมดา เ, เขาสับสนนะคะ ก็เนี่ยแหะคือประเด็นของคนไทยที่ว่าเอ้ยทำไมคุณไม่มาศึกษาเรื่องทํำเรื่องไหนมันถูกต้องแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็รัสิ่งที่ผิดแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกซะค่ะเอคืออาจมาเกิดคุณโยมติ๋วก็ทําหน้าที่นี้เหวนนะค่ะดิฉันเข้าใจว่าคือเหมือนกับบนโลกใบเนี้มีคนจำนวนมากมายใช่ไหมคะคนเราเนี่ยจะเกิดศรัทธาจะเกิดความเชื่ออะไรเนี่ยมันก็เกิดอยู่กับการที่เข้าไป ศึกษาเรียนรู้แล้วเขามีความรู้สึกว่ามันใช่อืมแน่นอนแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้มันมันจะเป็นไปได้หรือที่จะทําให้คนทุกคนเนี่ยเชื่อเหมือนกันหมดเป็นเรื่องที่น่าคิดอะคะ่ะแม้กระทั่งในเรื่องพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยนะคะอก็ยังบางที่ว่านับถือแบบหนึ่งลัทธิแบบหนึ่งใช่ไหมคะ อ, คอย่างเช่นค่ะคือคือคําว่า ให้คนหนึ่งเชื่อเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันกว้างหรือมันแคบถ้าสมมุติว่าเราเชื่อในเรื่องที่มันกว้างๆเหมือนกันหมดอันนี้มันเกิดขึ้นได้เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษทุกคนก็เชื่อเหมือนกันหมดก็เกิดขึ้นได้อันนี้มันก็ถูกต้องอยู่ซึ่งในทางคําสอนของพุทธานมันก็กว้างมากธรรมวินัยเนี่ยกินความส่วนที่กว้างก็มีส่วนที่เฉพาะเจาะจงลงไปก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดเกินเป็นทีละจุดทีละประเด็นนั่นแหละว่ามันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอย่างอย่างนะ ทีนี้ในทางความเชื่อความที่เราจะเลื่อมใสเนี่ยนอกจากเรื่องการเข้าไปศึกษาหาความรู้แล้วเรื่องการเจอความทุกข์อันนี้เราก็ทําให้เกิดศรัทธาได้มีทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาได้อย่างเงี้ยหรือมีเพื่อนดีเขาเชิญชวนไปในให้เราศึกษาก็เกิดศรัทธาได้มีความเชื่อได้ทีนี้อย่างไรก็ตามต้องกลับมาถึงจุดที่ว่าเราต้องใช้ธรรมวินัยให้ถูกต้องก่อนเหนือว่าไม่ใช้ ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องข้ามหันกันแต่ว่าเป็นเครื่องที่จะมาตรวจสอบได้แล้วก็ทําสิ่งที่ถูกแล้วก็เลิกสิ่งที่ผิดซะอย่างนั้นค่ะงั้นก็เท่ากับว่าท้งในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วนี่กฎระเบียบที่สําคัญที่สุดสําหรับพระสงฆ์ก็คือพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้ใช่ก็เราก็พูดรวมว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยค่ะดังนั้นดิฉันจึงคิดว่าในสังคมไทยซึ่ง มีผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็อยู่ในความห่วงใยของหลายๆลยคนจนเป็นกระแสที่ทุกคนก็สนใจไปหมดแล้วเนี่ยแต่สนใจไปแบบฟังเขายกเหตุผลของเขาแต่ขาดการศึกษาที่แท้จริงว่าพระพุทธองค์เนี่ยวางพระวินัยไว้อย่างไรบ้างก็สมควรที่จะให้นังสือพิมพ์ทุกๆเล่มเนี่ย เอามานำเสนอกันพระวินัยวลณนาก็ดีเหมือนกันนะคะโอ้จะเป็นการดีมากใช่ค่ะเพราะว่าก็เท่ากับว่ า, าบางทีพระสงฆ์บางรูปท่านก็อาจจะได้รู้มากขึ้นถ้าจะอยู่ในที่ที่ไม่สามารถศึกษาได้เต็มที่หรือชาวบ้านรู้เนี่ ด, ดีนะคะได้ช่วยกันส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาแข็งแรงแต่ว่าถ้าฟังเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยดิฉันเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงจริงๆทีนี้ทีนี้พอพอเรามีข้อมูลใช่ไหม คือ ท, ทุกวันนี้ข้อมูลก็ไม่ได้เข้าถึงยากนะคุณโยมติ่นเนี่ยหรอไหมคือแบบดิดนิ้วปุ๊บมันก็ได้แล้วะน ะ, ค, ะคืออย่างไรก็ตามได้ข้อมูลแล้วยังไงคือไม่ได้เอามาจับผิดเขาจับผิดกัตรวจสอบนี่ไม่เหมือนกันค่ะเอามาช่วยกันทําให้ถูกมากขึ้นเราใช้คํานี้ดีกว่าโอเคทีนี้ถ้าสมมุติเขาทําผิดเราจ ะ, ะทำยังไงนี่คือประบบเด็นถูกไหมเพราะว่าตัวเราบางทีก็ไม่ได้เพอร์เฟคร้อเอร์เซ็นต์เห็นคนอื่นเขาทำไม่ถูกเนี้ย เราตรวจสอบตัว เ, เองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยก็ทำไม่ถูกทำไงเราก็ไม่เอาก็ไม่เอาสิ่งผิดแต่ก็เอาสิ่งที่ถูกแต่ทำยังไงอ่ะเอาสิ่งที่ถูกก็สนับสนุนคนที่ถูกแต่คนที่ผิดเราก็ไม่สนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเด็กเข้าใจว่าคนที่จะตั้งท่าเป็นผู้ที่เห็นว่าเราน่าจะช่วยกันตรวจสอบให้ถูกต้องเนี่ยตัวเองก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นคนที่หันกลับมาดูตัวเองสองกระจก เอาทั้งหน้าทั้งใจแล้วเนี่ย เ, เป็นเป็นร่างกายและจิตใจที่มีศีลพอพอตัวใชคค่คือคือเรื่องเรื่องของศีลนี่ก็อันหนึ่งด้วยนะอันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องของทิฏฐิความเห็นด้วยคือว่าต้องมีความเมตตาการมีความคิดที่ว่าจะให้เขาพ้นจากความผิดให้เขาทำดีขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าคิดว่าจะประหารประหารกันเนี่ยอันมันไม่ไม่ใช่ใช่ค่ะดิฉันกำลัง เ, เป็นห่วแบบนี้แหละเพราะบางที โดยไม่รู้นะคะโดยรู้เท่าไม่ถึงการ อ, ะ<ช>อ่ะก็อย่างที่ท่านพูดว่าข้อมูลก็มีอยู่แต่ก็ไม่ศึกษาการทำไมถึงไม่ศึกษาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อ่าเนี่ยค่ะอะ่คิดว่าเป็นวาระแห่งชาติ ấy, ต้องส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้น ะ, ะเป็นนักศึกษาที่เป็นสิกขาใช่ไหมคะใช่ต้องเรียนแล้วก็เอาเข้ามาสู่การปฏิบัติใช่ใชสังคมจะดีนะคะเราจะ ทุ่มเถียนกันเพื่อให้มันดีขึ้นไม่ให้ทุ่มเถียนให้มันพังพินาศไปเออตรงเนี้แหละคือลักษณะบริษัทที่เลิศค่ะคือบริษัทที่อาศัยการสอบถามทวนถา ม, ถามแก่กันแล้วแล้วก็กระช่างขึ้นมาได้ค่ะในขณะที่เรายังหวังไม่ได้จากการที่จะมีการบริหารจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะนี้พวกเราก็ช่วยตัวเองกันก่อนนะคะมาเป็นนักศึกษาที่ศึกษาแบบเป็นสิกขาในเชิงพุทธก็คือ รู้แล้วนำไปสู่การปฏิบัติเอาแค่เรื่องแรกๆที่เราคุยกันอยู่ในรายการเนี้ยรู้แล้วนำไปปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าวัตถุประสงค์เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดการพัฒนาที่ตัวเราที่ได้ผลกับตัวเองแล้วก็สะท้อนไปสู่ผู้อื่นด้วยแล้วแล้วถ้าบอกว่าการศึกษาเนี่ยทําให้เรามีความทุกข์มากแสดงว่าเราศึกษาไปผิดทางเราศึกษาปฏิบัติไปผิดทางเพราะว่าทําไมมันน่าจะเบาลงแต่มันกลับหนักขึ้น น, น, นี่แต่ว่าไม่ถูกเราก็ต้องปรับใหม่คือเพราะว่าน่นอนบางทีการศึกษาด้วยการปฏิบัติบางทีมันก็ผิดผถูกถูกใช่ไหมตามไปถูกบ้างผิดบ้างถ้ามันหนักขึ้นสแสดงว่ามันผิดแต่ถ้ามันเบาลงเออมาถูกทางอันนี้ท่านควรจะพูดว่าการศึกษาในความหมายของพระพุทธเจ้าหรือว่าการศึกษาทั่วๆไปในในความหมายของพระพุทธเจ้านี่แหละอ๋อคะ่ะคือสมมุติว่าเราไปอ่านทําความเข้าใจมากขึ้นโอ้เจอวินัยข้อนี้เจอศีลข้อนี้เจอธรรมะข้อนี้แต่ปุ๊บเอ๊ะทำไมโอ้มันหนักขึ้นแสดงว่าจิตเราเนี่ย ไปเพ่งโทษคนอื่นบ้างแต่ว่านี่มันไปผิดทางค่ะทีนี้ท่านพิบูลได้พูดว่าเอ้ข้อมูลก็มีอยู่ทําไมถึงไม่ค่อยอรู้สึกว่ามีคนศึกษากันมากอย่างเพียงพอแต่บางคนบอกว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอคะข้อมูลนะคะท่านค ะ, ะคืออย่างคุณยมติว๋วก็ตามเรียนมาก็ตามก็พยายามทำหน้าที่นี้นะโดยการเอามาพูดในราการวิดีโออะไรต่างๆข้อมูลนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยแบบ โอ้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีห uh, นังสือทุกวัดก็มีในไอพัตยปพิโดกเนี่ยน ะ, ะมีตั้งเวอร์ชันเก้าสิเ็ดเล่มก็มีเวอร์ชันสี่สิบห้าเล่มก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปอ่านต้อ ง, <ม> ท, งทำความเข้าใจานี่นะะท่านคะดิฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังคิดว่าจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาช่วยกันสร้างช่วยกันทาให้หนังสือเหล่านีนะ้มีแพร่กระจายไป เมือกัไปตามโรงแรมแล้วมีคมภี์พระคริสตประจําหัวนอนเนี่ยนะคะอืมก็น่าจะเป็นคมภีร์ประจําบ้านทุกบ้านรัฐบาลทําแจกสิคะเราก็ต้องอ่านด้วยนะต้องอ่านใช่ค่ะมไม่ใช่พอเห็นเป็นหนังสือแบบนี้เราไปตั้งแทนพระพุทธเจ้าเลยนั่งกราบนั่งไหว่างคืออันนั้นก็ก็ดีส่วนหนึ่งนั่นคือภายนอกใช่ไหมเรามีการบูชาการเคารพการบูชาด้วยการปฏิบัติอันนี้ยิ่งดีขึ้นไาอีกค่ะอืม แล้ในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยคุณหยุบเดีวบางทีเราเราพัฒนาไปมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันค่ะคือคนนี้บางทีก็ต้องยอมในเรื่องนี้บ้างคนนั้นก็ต้องยอมในเรื่องนี้บ้างมันก็ถึงจะค่อยๆไปกันได้แรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าแรกๆก็ไม่ได้ประกาศธรรมวินัยอย่างนี้นะกว่าจะเชฟออกมาเป็นรูปร่างนี้ได้ก็สิปีนู่นอ่ะค่ะเช่นถ่มผ้าแบบนี้แรกๆไม่ได้ถ่มแบบนี้นะ เอกินอาหารแบบนี้แรกๆก็ไม่ได้กินแบบนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะค่ะการเยื้องกลายการเดินกันแม้แต่ไปกินข้าวต้องมีการอนุโมทนาแรกๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แรกๆก็ไม่ได้มีวันพระแรกๆก็ไม่ได้มีพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพิ่งมามีอุโบสถนี่ก็แรกๆก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเชฟมาเชฟมาไปอย่างนั้นหมายถึงค่อยๆทําให้เป็นรูปเชฟมาได้แปลว่าอะไรครับทำใเป็นรูปเป็ร่างใช่ใช่ แต่กว่าจะมันจะมาลงตัวกันได้เนี่ยมันก็คนนี้ก็ว่า อ, อย่างนี้คนนั้นก็ว่าอย่างนี้อย่ไงค่ะมีไหมคะท่านคะที่เราจะยึดหลักอะไรบางอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วทําให้เราสามารถที่จะตัดสินในบางเรื่องในพื้นพื้ น, นว่าโอกาสพลาดยากกุศลและอกุศลเราใช้ ห, หลักนี้ได้คะ่ะก็คือว่าสิ่งไหนที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรอันนี้คือก็ทําได้แต่สิ่งไหนที่มัน ไม่เข้ากับสิ่งที่ควรแล้วก็เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยอันนี้คือสังไม่ไม่ควรทา<ช>ก็คือจะพูดง่ายคือสิ่งที่เป็นกุศลนะกุศลนั่นนะค่ะเพราะว่าเดฉันเข้าใจว่า ย, ยิ่งพูดควรไม่ควรอยู่ด้วยกันมม น, นี่งงเ่ะคะราะฉะนั้อีกครั้งได้ไหมคะเอ่อก็คือว่าอะไรที่มันเข้ากับของที่ควรค่ะแล้วก็นี่คือหนึ่งนะแล้วก็บวกกับไม่ขัดกับของที่ไม่ควร นะี่ไม่ขัดกับของที่ไม่ควรแล้วก็เข้ากับของที่ควรอันนี้ถือว่าควรทําได้อันนี้ก็อ้อมแอมทําได้ <คะ S 1> นี่คือกรณีที่หนึ่ง น, น, นี่คือส่วนที่เป็นกุศลธรรมนะีจะพูดงอ่ายๆนะี่คือเป็นแดนบวกไปได้แตนะ่แต่ที่ไปไม่ได้คือเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคืออะไรเนะี่ยถ้ามันขัดกับของที่ควรเนะี่ยคือขัดกับของที่ควรของที่ควรเนี่ยไปกันไม่ได้ <คะ S 1> แล้วมันเดินไปสอดคล้องกันเข้ากันกับของที่ไม่ควร เริ่มเข้าใจแล้วค่ะอันนี้แสดงว่ามันจะไปไม่ได้ค่ะสิ่งที่เป็นอกุศลก็อย่าไปทางนั้นค่ะแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปรู้ละเอียดลึกซึ้งว่าอย่างไรก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คร่าวๆไงคร่าวๆ ค, คือเรา<ย>คิดว่าอันี้ดีเป็นมาตรฐานคนทั่วไปก็ถือว่าดี อ, อย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลใช้แบบนี้ได้ไหมคะอย่า ง, งกรณีของพระขับรถอย่างเงี้ยขับรถค่ะ ถ้าเราพูดถึงยานพาหนะใช่ไหมใช่ยานพาหนะอ้าวพระสงฆ์ก็พายเรือได้นะขับจักรยานก็ได้นี่นาไม่มีปัญหาขี่ม้าขี่อูดที่เป็นทูพุก็ไม่มีปัญหานะค่ะเออแต่ทำไมขับรถเครื่องอย่างเงี้ยมอเตอรไ์ไซค์เอาคนเริ่มเลงละหรือขับรถเก๋งอย่างเงี้ยคนรับไม่ได้เลยเนี่ยเออมันมันก็เข้ากับของที่ควรนี่นาใช่ป่ะค่ะแต่แ บ, บ, บางทีเราก็เอ่อ ไม่รู้ข้อมูลอนะ่ะมันมันก็เป็นสมัยนิยมนะอ่า<ะ>มันก็บางทีก็พูดยากอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับไปอะมาว่าซึ่ ง, <c oughs> งดิฉันว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สมมุตินะคะ <c oughs> สมมุติว่ามันถูกตามพระวินัยเนี่ยแต่บางทีชาวบ้านเขามองว่ามันไม่ควรก็เป็นนักบวดแล้วคะ่ะไม่ควร <c oughs> อันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับศรัทธาของคนนะคะถ้าอันนี้มันมันจะไปขัดกับของที่มันควรไงค่่ศรัทธามันควรจะต้องมีใช่ไหมแต่มันจะไปขัดศรัทธาขาวอ่ะมันก็ไม่ควรไปก็ต้องไม่ควรขับไปงั้นใช่ค่ะก็ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปค่ะสรุปแล้วอ่ทั้งพระทั้งคารวาสเนี่ยในการดําเนินชีวิตที่ข้องเกี่ยวกับคนอื่นเราก็ต้องดูว่า ตรงไหนที่ดีที่สุดแต่สำหพระสงฆ์จะง่ายกว่าหน่อยที่ว่าคือง่ายในแง่ที่มีมีกฎ ร, ระเบียบ ร, ยริบาล้วอ่าโดยพระวินัยและเป็นกฎระเบียบที่บัญญัติโดยผู้ที่เป็นศาสดาโอกาสที่จะเป็นกฎระเบียบที่มันต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเนียมีบ้างไหมคะคจบเลย<ม>จ บ, จบจแล้วไม่มีไม่มีคําสอนใหม่แล้ว ต, ตรงนี้จะพอใจมากเลยนะคือหมายถึงว่าไม่มีใ<ม>หม่อิฉั้นเข้าใจแต่กำลังจะถามท่านว่าในฐานะเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ได้พบไหมครัาว่ า, วากฎนี้ไม่ไหว แ, วแล้วล้าสมัยพุทธเจ้าตรัสไปนานแล้วมันใช้ไม่ได้วันนี้มันผ่านมาสองพันหกร้อปีก็จะมีศรัทธาในการปฏิบัติไม่รู้สึกเลยจะแต่ไม่รู้สึกเพราะเพราะว่าเออย่างอย่างพระสงฆ์ในที่บวชมาเนี่ยต้องมีความมั่นใจในในผู้นําของตัวเราเอง เพรนผู้นำว่าอย่างไงก็ว่าตามนั้นเดี๋ยบางทีมันมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะอย่างพระเนี่ยต้องมาถือผ้าสามผืนทุกวันตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยผ้านี่ะต้องไม่ห่างจากกายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสมัยนี้มันสมัยไหนแล้วทาไมต้องทำแต่เราก็ทํา อ, อ, อ่ะก็ออเคะต้องถือผ้าสามผืนตอนตีเท่าไหร่นะคะท่านคะคือในช่วงที่จะได้อารุณเนี่ยช่วงตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงหกโมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์จะขึ้นวันใหม่ใช่ไหมค่ะซึ่งตรงเนี้ย มีข้อวินัยบัญยัติอันหนึ่งที่บอกว่าต้องมีผ้าสามผือนอยู่กับตัวนะ<ม>ครบสำรับเนี่ยก็คือสบงจีวานสังกติเป็นะผ้าคล้องต้องอยู่กับตัวซึ่งทุกรูปก็จะต้องมีของแต่ละคนคนะจะไปวางไม่ไกลๆแบบไม่รู้ว่าเวลานี้ช่วงเวลานี้ผ้าอยู่ที่ไหนไม่ได้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถหยิบฉวยได้ทันทีใช่ใช่ มีการอธิบายไหมคะของพระพุทธเจ้าอ่ะเพราะเหตุใดเธอจึงต้องทําเช่นนั้นคือในสมัยก่อนธรรมา ก, ก็คิดภาพถึงว่าเ อ, อพระนี่อยู่กันเป็นตับๆเยอะแยะไปหมดใช่ไ่มพระมันเยอะอ่ะแล้วก็ผ้านี่ก็เป็นของหายากแล้วก็ถูกขโมยถูกอะไรกันเพราะฉะนั้นพระก็ต้องรักษาของพวกนี้ให้ดีอแต่เดี๋ยวนี้มันหา ง, ง่ายมากแล้วก็อยู่วัดป่ามันก็ไม่ได้อยู่กันเป็นตับๆค่ะก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอาก็มีศรัทธากระทำไปเพื่อความเคยชินของเรา อืมค่ะในเร่องกำลังคิดต่อนะเพราะนอกเหนือจะเหตุผลนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุผลอะไรกันอีกแต่ที่ทนก็เชื่อพระศาสดานะคะว่าได้ทรงคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ได้วางระบบระเบียบไว้ใช่คือเรื่องนี้บางทีมก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะค่ะแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยที่ว่าถึงแม้เวลาผ่านไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ยังยึดถือแนวทาง ที่ได้ทรงวางไว้ด้วยความที่เคารพศรัท ธ, ธาท่านใช่อย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วนะคะถูกต้องถูกต้องแล้วก็คนที่เป็นคนบอกง่ายไง ค, คนที่ว่าไม่ใช่เป็นคนว่ายากอ่ะค่ะแต่ว่าดิฉันกำลังจะพูดต่ออย่างนี้นะคะว่าในตัวเองอคิดว่าที่เราเคารพศรัท ธ, ธาเชือ่อถือแล้วเราปฏิบัติตามเนี่ยเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคนที่อย่างไดนะไม่เห็นจุดบกพร่องที่จะทําให้ศรัท ธ, ธาเชื่อถือของเราถดถอยลงได้เลยแม้แต่น้อย ดังนั้นใครที่จะทำอะไรให้คนเขาเกิดความรู้สึกอยากปฏิบัติตามอย่างไม่มีเสริมคลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำตัวของตัวเองให้หาจุดบุกพร่องไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่ใช่เ่เป็นผู้ที่ปฏิบัติใน ล, ลักษณะที่ให้อ่ความว่าวาวดมันย า, า, ญญญาหรือว่าจุดด่างพร้อยในศีลเนี่ยมันมาละายโคโจรอะไรต่างมันน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยลงความบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้น อันนี้คือเป็นแนวทางที่ที่จะไปและเป็นการฝึกตัวเองด้วยค่ะนะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้ใช้เวลากันมาอย่างได้ความรู้หลายเรื่องทีเดียวนะคะแล้วก็ฝากกันมาให้ช่วยกันคิดด้วยแล้วกันเพราะว่าอพระพุทธศาสนานั้นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราพุทธศาสนิกชนนะคะพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วก็พึ่งกันผ่านพระสงซึ่งเป็นผู้ที่ได้บวชเรียน ในพระศาสนาของพระพุทธองค์แล้วก็คอยถ่ายทอดคําสอนและทําหน้าที่ต่างๆ ต, ตามพระวินัยที่ได้วางไว้เราก็จึงควรที่จะช่วยกันทําให้การที่จะดูแลพระสงฆ์นั้นได้ดําเนินไปอย่างถูกต้องตามคําสอนของพระศาสดาดิฉันพูดอย่างนี้พอได้ไหมคะเจริญบานถูกต้องเลยนะคะงั้นก็กราบนวัสการขอบพระคุณท่านเพริบูลไวนะ้หน้าโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะนคะวัสการค่ะเจริญบาน ทนผู้งคาและนี่ก็คือรายการสัสนสมีสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว SM106 รอหเราจะมาพบกันในลักษณะของการสนทนากับพระที่มีดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็คอยถามคำถามต่างๆของท่านดิฉันสัสนสมีหน้าคงนี้นะคะทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ค่ะส่วนวันอื่นๆนั้น ท่านเพรื่ณก็จะสอนคำสอนของพระศ า, าสดาให้กับท่านได้รับฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พุทธวันสวัสดีค่ะ